วันนี้เป็นวันสุขที่19ธันวาคมพุทธศักราช2568เป็นวันพระวันธรรมสวนะคือวันฟังธรรมวันที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสอน ให้สาธุชนพุทธบริษัทได้มาเปลี่ยนวิธีการหาความสุขจากการหาความสุขจากการเสษ ร, รูปเสียงกลิ่นรสผลพพะชนิดต่างๆมาเป็นการหาความสุขใจทำใจให้เกิดความสุขขึ้นมาการทำใจให้เกิดความสุขนี้เรียกว่าบุญ บุแปลว่าความสุขใจวันพระจึงเป็นวันทําบุญเป็นวันที่สาธุชนพุทธบริษัทจะมาทําการกระทําที่ทําให้เกิดความสุขใจขึ้นมาการกระทําที่ทําให้เกิดความสุขใจนี้ในพระพุทธศาสนามีแสดงไว้อยู่สิบข้อด้วยกันเรียกว่า บุญกิริยาวัตถุสิบประการเป็นการกระทาที่จะทำให้เกิดความสุขใจขึ้นมาเช่นหนึ่งทานการทำทานคือการให้หการให้ไม่ว่าเราจะให้อะไรกับผู้หนึ่งผู้ใดเวลาให้แล้วเราก็จะเกิดความสุขใจขึ้นมา เรียกว่าบุญการกระทาเรียกว่าทานผลของการกระทาคือทานก็คือจะได้บุญได้ความสุขใจการทำทานนี้เราก็สามารถทำได้หลายรูปแบบด้วยกันคือสิ่งที่เราจะให้กับผู้นี้มีอยู่สี่สิ่งด้วยการที่เราสามารถที่จะ ให้กับผู้ได้ให้กับผู้ให้เขามีความสุขเพราะว่าเมื่อเขาเราทำให้เขาเกิดความสุขขึ้นมาความสุขนั้นก็จะกลับมาที่ใจของเราทำให้เราเกิดความสุขใจสิ่งที่เราสามารถให้ถ้าเรามีก็คือหนึ่งวัตถุข้าวของเงินทองต่างๆการให้วัตถุข้าวของเงินทองนี้เรียกว่า วัตถุทานการให้วัตถุทานให้ข้าวของเงินทองสิ่งของต่างๆเช่นเวลาที่เกิดอุกุกภัยก่อภัยต่างๆขึ้นมาขาดข้าวของเงินทองขาดสิ่งจําเป็นต่อการอุปโภคบริโภคเช่นอาหารเครื่องนุ่งห่มเป็นต้นเราให้สิ่งของเหล่านี้กับผู้ที่เขาเดือดร้อน เรียกว่าเป็นการให้วัตถุทานให้แล้วก็จะเกิดความสขใจอิ่มใจขึ้นมาเรียกว่าบุญการกระทำนี้เรียกว่าทานผลของการกระทาเรียกว่าบุญในกรณีนี้เป็นการกระทาวัตถุทานคือให้ข้าวของต่างๆกับผู้อืที่เขาต้องการที่เขาเดือดร้อน พ เ, เขาได้สิ่งที่เขาเดือดร้อนไปบรรเทาความทุกข์ยากความสุขก็เกิดขึ้นกับเขาแล้วความสุขนั้นก็จะกลับมาหาที่ใจของเราเมื่อเรารู้ว่าเราได้ทําให้ผู้มีความสุขจากการให้วัตถุทานอันนี้การให้ชนิดแรกเรียกว่าวัตถุทานชนิดที่สองที่เราสามารถจะให้ได้ถ้าเรามี ก็คือวิทยาทานก็คือให้วิชาความรู้ต่างๆถ้าเรารู้ภาษาอังกฤษเราก็นำมาภาษาอังกฤษนี้ไปสอนคนที่เขาอยากจะเรียนรู้โดยที่ไม่คิดค่าตอบแทนสอนให้ฟรีๆอันนี้ก็เป็นการให้วิทยาทานเมื่อเขาได้เรียนรู้ภาษาเขาก็สามารถเอาไปทำประกอบอาชีพ ทำมาค้าขายที่สุดเจริญได้เขาก็ได้ความสุขจากการได้เรียนวิชาจากเราเราก็ได้ความสุขจากการให้วิชากับเขาไปเรียกว่าวิทยาทานสิ่งที่สาเราสามารถทำให้กับผู้อื่นได้ก็คืออภัยทานคือการให้อภัยต่อผู้ที่เขา สร้างความเสียหายเดือดร้อนให้กับเราเช่นเขาอาจจะไม่ทำอะไรให้เราเจ็บช้ำน้ำใจหรือเจ็บทางร่างกายแต่เราให้อภัยเขาไม่ถือโทษกดเคืองเพราะเราเห็นว่าการอาฆาตพยาบาทการจองเวรจองกรรมนี้ เป็นการสร้างความทุกข์ให้กับเราเวลาเราโกรธใครเกลียดใครเราจะ ก, กินไม่ได้นอนไม่หลับแต่พอเราให้อภัยเขาได้พอความโกรธหายไปความมาฆาาทายาบาลหายไปความทุกข์ร้อนใจก็หายไปความสงบใจก็กลับคืนมาอันนี้เรียกว่าให้อภัยอภัยทาน และสิ่งที่สิ่งชนิดที่สี่ที่เราสามารถให้กับผู้อื่นได้ถ้าเรามีก็คือธรรมทานคือการให้ธรรมะธรรมะที่เราได้ศึกษาได้ปฏิบัติได้บรรลุถึงถ้าเราได้ธรรมะขั้นศีลเราก็เอาศีลมาสอนผู้อื่นได้ถ้าเราได้ธรรมะ ข, ขั้นสมาธิเราก็าสมาธิมาสอนผู้อื่นได้ ถ้าเราขั้นถึงขั้นปัญญาเราก็สามารถเอาธรรมะขั้นปัญญามาสอนผู้อื่นได้ถอนให้เขาได้เรียนรู้วิธีการดําเนินชีวิตที่จะทําให้เกิดความสุขความเจริญแก่จิตใจที่จะช่วยทําให้เขาได้หลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆเรียกว่าธรรมทานถ้าเรายังไม่มีธรรมะ แต่เรากำลังอยู่ในขั้นศึกษาเราได้อ่านหนังสือธรรมะหรือได้ยินได้ฟังธรรมะที่เราฟังแล้วเกิดความสุขใจเกิดการดับความทุกข์ใจของเราได้เราก็สามารถแบ่งฟังเช่นสมัยนี้เราก็มีอินเทอร์เน็ตที่เราได้ได้อ่านข้อความต่างๆที่เป็นธรรมะคำสอนของ ครบาอาจารย์รู้ด้รูปหนึ่งอ่าแล้วทำให้ใจเราหายทุกข์เราก็สามารถแชร์ให้กับผู้ได้แบ่งปันการให้ธรรมะกับผู้อย่างแบบนี้ก็เรียกว่าเป็นการให้ธรรมทานอันนี้คือวิธีสร้างความสุขใจที่เป็นความสุขที่ดีกว่าความสุขที่ได้จากการเสพรูปเสียงกลิกรรรรรรรร่นรสผลตภะ พอการเสพรูปเสียงกลิ่นรสผตภาเป็นความสุขชั่วประเดียวกระดาวเวลาที่ได้เสพก็เกิดความสุขขึ้นมาพอไม่ได้เสพแล้วความสุขนั้นก็จะจางหายไปพอให้เหลือแต่ความอ้างว้างเปล่าเปลี่ยวเดียวดวายพอให้มีความรู้สึกอยากจะต้องเสพอยู่เรื่อยแล้วเวลาอยากแล้วไม่ได้เสพ รูปเสียงกดลิ่นรก็จะเกิดอาการหงุดหียดลาคาญใจขึ้นมาแต่ความสุขจากการทาบุญทำทานนี้มันไม่เป็นอย่างนั้นมันให้ความอิ่มใจสุขใจหลังจากที่เราทำไปแล้วก็อยู่ในใจเราไปเองานอาจจะสามารถส่งผลให้กับดวงวิญญาณของเราต่อไปได้หลังจากที่ร่างกายเราตายไปแล้วบุญที่เราได้ทำไว้ที่สะสมอยู่ในใจของเรานี้ จะไปกับดวงวิญญาณต่อไปจะพาให้ดวงวิญญาณได้ไปสู่สวรรค์ชั้นต่ตางๆได้ น, นี่คือบุญชนิดหนึ่งที่เราสามารถทำกันได้บุญนี้เราทำตามกําลังของเราทำตามโอกาสของเราไม่จาเป็นว่าจะต้องทำตามคนอื่นเขาเสมอไปช่วงนี้ถ้าคนอื่นเขาทำแต่เราไม่พร้อมที่จะทำ เราก็รอไว้ก่อนก็ได้หร้อก็มีบุญอีกหลายชนิดด้วยกันที่เราสามารถทำได้นอกเหนือจากการทำทาน<ม>ซึ่งเป็นหนึ่งในสิบชนิดด้วยกันชนิดที่สองที่เราสามารถทำได้คือการอุทิศบุญ<ม>ถ้าเราทำทานแล้วเราก็จะเกิดบุญขึ้นมาในใจของเรา<ม>แล้วถ้าเราคิดถึงบุคคลที่เราลากเราเคารพเรานับถือ หรือเราเป็นห่วงเป็นใย <c oughs> ว่ากลัวว่าเขาไม่มีบุญก็เราสามารถส่งบุญนี้ไปให้กับเขาได้บุญที่เราได้จากการทำทานจากการใส่บาตรก็ดีจากการให้วิชาความรู้กับผู้อื่นก็ดีจากการ <c oughs> ทำให้ใจเรามีความสุขให้อภัยก็ดีจากการให้ทรมาทานก็ดี <c oughs> อเอาลนี้บุญที่เกิดขึ้นนี้สามารถส่งไปให้กับ ผู้ที่ร่วงลับไปแล้วได้อันนี้เราเรียกว่าการอุทิศบุญ<ม>จะอุทิศบุญได้นี่เราต้องมีบุญก่อนแล้วต้องทำบุญก่อนพอเราทำบุญแล้วเราก็อุทิศไปบุญอุทิศนี้เราจะต้องทำเป็นบุญใหม่มบุญเก่านี้เราไม่สามารถเอามาอุทิศได้เพราะมันผ่านไปแล้ว<ม>ต้องทำใหม่เช่นอยากจะอุทิศให้คนที่ตายไป เมื่อเช้านี้เราก็ใส่บาตรกันใส่บาตรแล้วก็เกิดบุญใหม่ขึ้นมาแล้วเราก็สามารถส่งบุญนี้ให้กับผู้ที่ร้วงลับไปแล้วได้อันนี้เรียกว่าบุญอุทิตบุญชนิดที่สองบุญชนิดที่สามเรียกว่าอนุโมทนาบุญคือการชื่นชมยินดีการสนับสนุนการทำบุญของผู้อื่นเช่นเวลามี เพื่อนบ้านหรือญาติสนิทมิตสหายมีการทำบุญในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะทำบุญทอดกระถินก็ดีทอดผ้าป่าก็ดีทำบุญขึ้นบ้านใหม่ก็ดีทำบุญงานศพก็ดีเวลาเขาทำเราก็ไปร่วมทำกับเขา mm hmm. เรียกว่าอนุโมทนาร่วมแสดงความยินดีร่วมให้การสนับสนุนส่งเสริม <c oughs> การทำบุญของเพื่น ไม่ควรที่จะไปขัดขวางการทำบุญของผู้อื่นเช่นถ้าเรามีลูกจ้างที่เขาต้องขอลาไปทำบุญเนื่องจากญาติพี่น้องพ่อแม่เขาเสียชีวิตต้องไปทำบาเพา็ญกุศลงานศพเราก็ไม่ควรจะห้ามเขาไม่ควรที่จ ะ, ะบังคับเขาไม่ให้ไปควรจะส่งเสริมยินดี และอาจจะช่วยสนับสนุนในการให้ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปกับเขาไม่หักเงินเดือนอย่างนี้เป็นต้นนี่เรียกว่าเป็นการ <c oughs> อนุ <c oughs> อนุโมทนาบุญเป็นการทำบุญอีกอย่างพอเขาไปเข า, าเราเห็นว่าเขาไปทำบุญแล้วเราร่วมทำบุญกับเขาเราก็จะเกิดความสุขใจขึ้นมาอันนี้เป็นการ การทำบุญชนิดที่สา ม, มเรียกว่าอนุโมทนาบุญ<ม>การทำบุญชนิดที่สี่<ม>บางครั้งเราอาจจะไม่มีข้าวของเงินทองไม่มีวิชาวความรู้ไม่มีความกดแข้งกิดเครื่องใครที่จะต้องให้อภัยใครหรือไม่มีธรรมะที่จะแจกให้ใครแต่เรามีเวลาว่างเราก็สามารถอุทิศเวลา ของเรานี้ไปในการช่วยเหลือสังคมเช่นไปเป็นจิตอาสาไ ป, ไปรับใช้สังคมไปช่วยงานของของสาธารณะเช่นบางคนก็มาวัดเพื่อมาช่วยล้างถ้วยล้างชามก็มีบางคนก็มาช่วยทำความสะอาดห้องน้ำก็มีอย่างทีมงานที่มาช่วยที่นี่ก็มาช่วย เตรียมการเผยแพร่ธรรมะเตรียมจัดเครื่องขยายเสียงอะไรต่างๆคอยดูแลความสะอาดของห้องน้ำอันนี้เรียกว่าเป็นการทำบุญอีกชนิดหนึ่งเรือว่าเป็นการรับใช้หรื อ, อช่วยเหลือผู้ให้ทำกิจกรรมที่ดีให้เกิดประโยชน์ได้สำเร็จร่วงไปได้ด้วยดี บางทีเราอาจจะไม่มีเงินมีทองที่จะทําบุญทําทานเราอาจจะไม่มีวิชาความรู้เราอาจจะไม่มีธรรมะที่จะสอนใครแต่เรามีกําลังกายมีเวลาที่เราสามารถอุทิศกาลังกายและอุทิศเวลานี้ให้กับการทํางานที่ให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณะก็ได้อันนี้ก็เป็นการทําบุญอีกอย่างหนึ่ง เป็นบุญข้อที่สี่นะแล้วต่อมาบุญข้อที่ห้าก็คือการเป็นผู้อ่อนน้ำถ่อมตนอันนี้ก็เป็นการลดละกิเลสตัณหาอัตตาตัวตนที่จะทำให้เกิดความทุกข์เกิดความไม่สบายใจขึ้นมาเวลาที่ถือตัวนี่แล้วไม่มีใครเขาให้ความเคารพเรา ไม่มีการยกย่องเราเราก็จะโกรธเขาได้เสียใจได้ mm. แต่ถ้าเราเป็นผู้อ่อนน้อมถ่อมตนนี้เราไม่ได้หวังให้ใครมายกย่องเราเราไม่ได้หวังให้ใครมารับถือเรา mm. เราทำตัวเป็นผู้น้อย mm. ทำเป็นเหมือนคนรับใช้ mm. เป็นผู้อ่อนน้อมถ่อมตน mm. เราจะมีความสุข mm. เวลาที่เราพบกับคน ทั่วไป <Okay. S 2> เราจะไม่รู้สึก <Okay. S 2> ไม่พอใจเวลาที่ไม่มีใครเขาให้ความสำคัญกับเราหรือให้ความเคารพกับเราเป็นตน <Okay. S 2> ้นนี้เป็นบุญข้อที่ห้าเรียกว่าบุญที่เกิดจากการเป็นผู้มีความอ่อนน้อมถ่อมตน <Okay. S 2> เวลาไปพบปะใครพยายามทำตัวให้ต่าไว้ <Okay. S 2> อย่าไปยกตนข่มท่าน เพราะการยกตนของท่านนี้เป็นการสร้างอัตตาตัวตนขึ้นมาแล้วก็ทําให้ผู้อื่นเขาลาคาญได้ไม่มีใครอยากจะให้ใครเด่นกว่าเราดีกว่าเราหรอกมีแต่อยากจะให้เขาต่ําก ว, าว่าเราด้อยกว่าเราอันนั้นเมื่อเราทําตัวเราให้ต่ําให้ด้อยแล้วเราพบปะกับใครก็จะมีคนเขายินดีเสมอจะไม่มีใครรังเกียจ เราจะมีความสุขในการที่เราจะพบปะกับคนได้ทุกรูปแบบถ้าเรามีความอ่อนน้อมทำต น, นนี่ก็คือบุญข้อที่ห้าข้อที่หนึ่งคือทานข้อที่สองอุทิศบุญข้อที่สามอนุโมทนาบุญข้อที่สี่รับใช้สังคมข้อที่ห้าำตนให้เป็นผู้อ่อนน้อมทำตนข้อที่หกก็คือการ ไม่กระทาบาปไม่ไปสร้างความเสียหายเดือดร้อนให้กับผู้อื่นไม่เบียดเบียนผู้อื่นก็คือเป็นผู้มีศีล น, นั่นเองศีลก็คือการระงับจากการกระทําบาปห้าข้อด้วยกันละเว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตละเว้นจากการลักทรัพย์ละเว้นจากการประพฤติผิดในกามละเว้นจากการพูดโกหกพูดปด และละเว้นจากการดด่นโชลาและของมึนเมาต่างๆที่จะทำให้ขาดสติพอไม่มีสติแล้วเวลาใจคิดไม่ดีก็จะไม่ไม่สามารถยับยั้งความคิดนั้นไม่ให้ส่งไปสู่การกระทำทางกายทางวาจาได้แต่ถ้ามีสติไม่มึนเมาเวลาคิดไม่ดีก็สามารถยับยั้งความคิดไม่ดีได้ ไม่ปล่อยให้ออกมาทางวาจาและทางการกระทำทางกายได้ก็จะไม่ไปทางสร้างความเสียหายเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นเพราะถ้าเราไปทำความเสียหายเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นแล้วผู้อื่นเขาเสียหายเดือดร้อนเขาก็จะตอบโต้เราทันทีเขาก็จะต้องอาฆาตพยาบาทเขาก็จะต้องล้างแค้นเราเขาก็จะจองเวรจองกรรมกับเรา แต่ถ้าเราไม่ไปทำบาปทำกรรมให้กับใครไม่ไปสร้างความทุกข์ <S <S เดือดร้อนให้กับใคร <S <S ก็จะไม่มีใครมาสร้างความทุกข์สร้างความเดือดร้อนให้กับเรา <S 2> <S 2> ถ้าเกิดมีใครเขาทำโดยที่มันอาจจะเป็นอุบัติเหตุก็ดีหรือเป็นความจงใจก็ดีเราก็ใช้อภัยทาน <S 2> <S 2> เราก็ไม่ถือโทษกดเคืองเราจะไม่มีเวรกับใคร ใครจะมีเวรกับเราก็าปล่อยให้ก็มีไปแต่เราจะไม่ไปมีเวรกับใครเพราะเวรไม่ย่อมย่อมไม่ระ ง, งับด้วยการจองเวรเวรจะระ ง, งับได้ด้วยการไม่จองเวรถ้าเราไม่จองเวรเขาเดี๋ยวเขาก็หายไปเองเดี๋ยวเขาก็เลิกจองเวรเราแต่ถ้าเขาจองเวรเราเราจองเวรกับเขาด่าเราเราก็ด่ากลับไปเขาตีเราเราก็ตีกลับไปหรือว่าไปสู่การฆ่ากันในที่สุด แล้วคนคนตายก็ก็เสียชีวิตไปคนอยู่ก็ต้องไปรับโทษติดคุกติดตารางแล้วหลังจากที่ตายไปก็ต้องไปใช้กรรมในอบายต่อแต่ถ้าเรามีรักษาศีลไม่ได้ศีลห้าข้อนี้เราก็จะสามารถปิดประตูอบายได้เราก็จะมีความสุขใจมีความมั่นใจว่าเราไม่มีโทษที่จะ ตามมาจับเราไปลงโทษไม่มีเวรกรรมที่จะตามมาจับเราไปลงโทษถ้าเรารักษาศีลห้าได้เวลาที่เราตายไปถ้าเราทำบุญมากกว่าทำบาบุญก็จะพาเราไปสวรรค์แต่ถ้าเราไม่รักษาศีลห้าเวลาเราตายไปบุญอาจจะน้อยกว่าบาปที่เราทำก็ได้ าบาปมากกับบุญบาปก็จะดึงให้เราไปเกิดในอบายไปเป็นเดรัจฉานบ้างไปเป็นเปรตบ้างไปเป็นอสุรกายบ้างไปตกนรกบ้างถ้าเรารักษาศีลได้โอกาสที่จะไปเกิดในอบายก็จะน้อยลงนิดแทบจะไม่มีเลยอันนี้คืออ น, นิสงส์ของการรักษาศีลศีลหน้านี้จะช่วยปิดประตูอบายได้ และการที่เราจะรักษาศีห้าได้เราก็ต้องมีฮิเโอตปาฮิเ uh huh. นี้แปลว่าความอาย uh huh. เพราะคนที่ทำบาปนี้ไม่ใช่เป็นคนดีนั่นเอง uh huh. ไม่มีใครยกย่องคนทำบาปว่าเป็นคนดี uh huh. มีแต่จะเป็นถูกเขาประนามและถูกจับไปลงโทษจับไปติดคุกติดตาราง uh huh. นั่นให้เรามีความอายว่าเวลาเราทำบาปแล้วเราจะเป็นคนไม่ดี uh huh. ถ้าเราอยากจะเป็นคนดีอยากจะให้คนเขาไม่รังเกียจเราไม่ประนามเราเรา ก, าก็ต้องมีความอายในการกระทำบาป<ม>เพราะการทำบาปทำให้เราไม่เป็นคนไม่สวยงามนั่นเองถึงแม้หน้าตารูปร่างจะสวยงามแต่ถ้าการกระทำไม่สวยงา ม, มการกระทำไม่สวยงามนี้มันจะทำให้ความสวยงามของร่างกายนี้ไล่ความหมายไป คนสวยงามสามารถติดทุกขติดตารางได้ถ้าไปทาบาปแต่คนที่ไม่สวยงามทางหน้าตาทางร่างกายแต่สวยงามทางใจนี้จะไม่ต้องถูกไปจับไปติดทุกขิจตารางเพราะเป็นคนดีเป็นคนที่น่าเคารพนับถือเรื่อสใยนั่นเ อ, ง, อ, องเราต้องมีฮิริคือความละอายละอายบาปเพราะบาปจะทาให้เราเป็นคนไม่ดีเป็นคนไม่สวยงาม แล้วก็โอตระปะก็คือให้เรากลัวโทษที่จะตามมาจากการกระทำบาปโทษทั้งในขณะที่เรามีชีวิตอยู่และโทษที่จะตามมาหลังจากที่เราตายไปแล้วโทษที่เราโทษที่เรามีชีวิตอยู่ก็อาจจะมาทันก็ได้ไม่ทันก็ได้บางคนทำบาปแล้วยังไม่ถูกจับไปติดคุกก็มีบางคนก็ถูกจับไปติดคุกก็มีอันนี้ไม่แน่นอนบางทีอาจจะ ราช้าหน่อยอาจจะไปรอจับเราในพพหน้าชาติหน้าต่อไปแต่ที่แน่นอนคือบาปที่เราทํานี้จะเวลาที่เราตายไปนี้บาปจะส่งเราไปอบายอย่างแน่นอนถ้าเราทําบาปมากกับทําบุญเวลาใจล้วเวลาตายไปถ้าใจเรามีบาปมากกับบุญบาปก็จะดึงใจเราให้ไปเกิดในอบายทันที น, นี่ก็คือบุญข้อที่ หกแล้วม <Yeah. S 1> ข้อที่เจ็ดก็คือบุญที่เกิดจากการภาวนาการพนักการภาวนาก็คือการพัฒนาจิตใจยกระดับจิตใจให้สูงขึ้น <Yeah. S 1> ให้จากจากมนุษย์จากเทพให้ขึ้นไปเป็นพรหมให้ขึ้นไปเป็นพระอริยบุคคลให้ไปสู่พระนิพพานให้ไปสู่การหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด ผู้ที่ต้องการจะไปนิพพานผู้ต้องการที่จะหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดจําเป็นที่จะต้องปฏิบัติจิตตภาวนาทําบุญทำทานรักษาศีลนี้ไปได้แค่สวรรค์ชั้นเทพหรือได้เป็นมนุษย์ตายไปก็ได้กลับมาเป็นมนุษย์หรือไม่เช่นนั้นก็ไปเป็นเทวดาก่อนแต่ถ้าจะไปสูงกว่าขั้นของเทวดาคือขั้นพรหมขั้นพระอริยบุคคลขั้นพระนิพพานนี้ ยังเป็นที่ต้องทำบุญที่เรียกว่าการบําเพ็ญจิตตภาวนาจิตาภาวนานี่ก็แบ่งเป็นสองระดับระดับแรกเรียกว่าสมถะภาวนาทำจิตใจให้นิ่งให้สงบให้เข้าฌานจิตที่สงบเข้าฌานได้ก็จะไปเป็นพรมเวลาที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วขั้นที่สองพอได้ได้ขั้นพรมแล้วก็ให้เจริญปัญญาเพื่อให้ได้ขั้นอริยบุคคล ปัญญาที่จะต้องเจริญก็คือตายรักษอนิจจังทุกขังอนัตตาในเรื่องของกายเวทนาจิตต้องรู้ว่ากายเวทนาจิตเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาต้องไม่ยึดไม่ติดร่างกายเวทนาและจิตให้ปล่อยวางก็จะสามารถบรรลุเป็นพระอริยบุคคลขั้นถึงขั้นต่างๆตั้งแต่ตตขั้นพระโสดาบันขึ้นไปจนถึงขั้นสูงสุดเกิดขั้นพระอรหันต์ พอได้เป็นพระานันต์ก็จะได้เข้าไปนิพพานต่อได้ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดต่อไปนี่คือบุญที่ได้จากการภาวนาเป็นบุญที่สูงสุดที่จะสามารถยกความสุขความเจริญของจิตใจให้ขึ้นสู่ขั้นสูงสุดได้แล้วก็มีหลังจากนั้นก็เมื่อเราได้บรรลุธรรมเรามีดวงตาเห็นธรรมเราได้เห็นนิพพานได้ไปถึงนิพพานแล้ว เหมือนกับพระพุทธเจ้าเราก็เอาธรรมะมาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่ผู้อเรียกว่าเป็นการทำวุญข้อที่แปดคือการแสดงธรรมมีธรรมะอยู่ในใจล้วเอาธรรมะที่เรามีอยู่ในใจนี้มาสอนผู้อื่นได้แต่ต้องสอนให้กับคนที่เขาสนใจถ้าไม่สนใจก็อย่าไปเสียเวลาเพราะท่านเปรียบเหมือนกับการเทน้ำใส่หลังสุนัข ต uh huh. ันักมันไม่สนใจน้ำหรอกพอเทน้ําใส่หลังมันมันก็สะบัดทิ้งหมด uh huh. เอาธรรมะไปสอนคนที่ไม่สนใจก็เหมือนกันเขาไม่สนใจที่จะฟังเขาไม่อยากจะฟัง uh huh. นั้นการจะสอนธรรมะต้องดูก่อนว่าคนที่เขาฟังเขายินดีอยากจะฟังหรือไม่ถ้าเขาไม่ยินดีก็อยา่าอย่สอนเขา uh huh. น, นี่ก็คือบุญบุญที่ให้ธรรมะแก่ผู้ให้พูดได้หลุดพ้นจากความทุกข์ uh huh. แล้วบุญข้อที่เก้าก็คือการการมีความเห็นที่ถูกต้อง mm hmm. คือมีสัมมาทิติเช่น mm hmm. เห็นว่าบุญมีจริงบาปมีจริง mm hmm. การเวียนว่ายตายเกิดมีจริงนาลกสวรรค์มีจริง mm hmm. อันนี้เป็นการมีความเห็นที่ถูกต้องเพราะถ้าเรามีความเห็นที่ถูกต้องเราก็จะได้ทำในสิ่งที่ถูกต้องก็คือทำแต่บุญบาปไม่ทา ปฏิบัติธรรมเจริญซักพ้อจิตใจให้สะอาดลอยสุดก็ยุติการเวียนว่ายตายเกิดอันนี้เรียกว่าสัมมาทิฏฐิบุญที่เกิดจากการมีสัมมาทิฏฐิและการที่จะมีสัมมาทิฏฐิได้ถ้าเรายังไม่มีมาก่อนเราก็ต้องอาศัยบุญข้อสุดท้ายก็คือบุญที่เกิดจากการฟังเทศฟังธรรมเพราะว่าเวลาเราฟังเทศทังธรรมฟังคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้า เราก็จะได้ยินเรื่องราวเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดเรื่องมรรคผลนิพพานเป็นต้นมเมื่อเราได้เรียนรู้แล้วเราก็จะมีความรู้ที่เป็นความรู้ที่ถูกต้องที่เราสามารถนำเอาความรู้นี้มาปฏิบัติเพะะื่อยกระดับจิตใจของเราให้สูงขึ้นให้ดีขึ้นไปตามลาดับจนถึงขั้นสูงสุดได้เรียกว่าเป็นบุญ ที่เกิดจากการฟังเทศฟังธรรมนี่คือบุญต่างๆที่มีอยู่ในคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เป็นความสุขที่ดีกว่าความสุขที่ได้จากการเวเสกลูกเสียงกลิ่นรที่เป็นเหมือนยาเสพติดลูกเสียงกิ่นดสนี้เป็นเหมือนยาเสพติดเสพแล้วจะติดเวลาไม่ได้เสพ จ, จะทุกเวลาอยากจะเสพแล้วไม่ได้เสพ จ, จะทุกแต่บุญที่ แต่ความสุขใจที่เกิดจากการทำบุญต่างๆนี้ไม่ใช่เป็นยาเสพติดเป็นเหมือนอาหารของใจจะให้ความอิ่มใจสุขใจจะทำให้ใจไม่หิวโหยกับสิ่งต่างๆจะทำให้ใจสามารถตัดภพตัดชาติตัดกิเลสตัณหาให้หมดสิ้นไปจากใจได้ตามลำดับ<ม>นี้ก็คือบุญต่างๆที่มีในาศาสนาถ้าเราอยากจะมีความสุข เราสามารถเลือกทำบุญเหล่านี้ได้ตามโอกาสตามความสามารถของเราเราพร้อมที่จะทำบุญแบบไหนเราก็ทำไปได้เลย mm hmm. แล้วก็อาจจะทำได้หลายๆครั้งหลายๆอย่างพร้อมกันก็ได้ mm hmm. เช่นวันนี้เราก็มาฟังเทศฟังธรรมก็ได้บุญได้สัมมาทิฏฐิ mm hmm. แล้วเราก็มาฝึกสตินั่งสมาธิเราก็ได้สมถะภาวนา mm hmm. แล้วเราก็มารักษาศีลห้าศีลแปดกัน แล้วเราก็ได้มาทำบุญทำทานด้วยนี่ก็เป็นบุญต่างๆที่เราสามารถทำได้ตามความเหมาะสมตามโอกาสของเราทำไปเรื่อยๆแล้วจิตใจเราก็จะมีความสุขมากขึ้นมีความทุกข์น้อยลงตอนในที่สุดความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจก็จะหมดสิ้นไปได้แล้วเรา ชาติที่เราเคยเวียนว่ายตายเกิดแบบนับไม่ถ้วนก็จะลดน้อยถอยลงไปจนเหลือเป็นชาติสุดท้ายไปในที่สุดเราก็จะไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดกันอีกต่อไปนี่ก็คือเรื่องของบุญที่มีสแสดงไว้ในพระพุทธศาสนามีอยู่สิบชนิดด้วยกันเรียกว่าบุญกิริยาวัตถุสิบประการหนึ่งการทำทานสองอุทิศบุญ 3. มอนุโมทนาบุญ 4. การการรับใช้ช่วยเหลือผู้อื่น 5. การเป็นผู้อ่อนน้อมถ่อมตน 6. ก, การรักษาศีลเจ็การภาวนา 8. การแสดงธรรม 9. ก, การมีสัมมาทิฏฐิและบการฟังเทศฟังธรรมนี่คือบุญต่างๆที่เรา ควรจะทํากันอย่างน้อยอาทิตย์หนึ่งเช่นวันพระนี้ควรจะเอาเวลามาสร้างบุญกันบ้างมาสร้างความสุขในใจเพราะบุญจะติดไปกับใจของเราแต่เงินทองลาบยศสารเสริญความสุขจากรูปเสียงกลิ่นลอนนี้มันเราไม่สามารถเอาไปกับเราได้มันเป็นของมันสมบัติคู่กับร่างกายพอร่างกายตายไปลาบยศสารเสริญสุขก็หมดไปสิ่งที่เราจะเอาไปได้ก็คือบุญที่เรามาทํากัน ท่านนั้นเองดัง น, นั้นขอให้เราเห็นความสำคัญของการทำบุญและพยายามทำให้มากขึ้นไปเรื่อยๆแล้วใจของเราจะมีความสุขมากขึ้นความทุกข์ก็จะน้อยลงไปจนหมดสิ้นไปในที่สุดได้การแสดงธรรมสำหรับวันนี้ก็พอสมควรใจเวลาก็ขอยุติไว้เพียงเท่านี้ในลำดับต่อไปเราก็จะมาปฏิบัติธรรมกัน มาเจริญภาวนาจิตตภาวนาขั้นแรกเรียกว่าสมถะภาวนาเพื่อยกระดับจิตใจให้สูงขึ้นให้มีความสุขมากขึ้นให้มีความทุกข์น้อยลงเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องกลับมาเวียนล่าตายเกิดอีกต่อไปการนั่งสมาธิหรือการเจริญสมถะภาวนานี้เป้าหมายก็คือให้ใจนิง่งให้ใจสงบใจจะนิง่งใจจะสงบได้ต้องไม่มีความคิดต้องหยุดคิดให้ได้ ถ้าใจยังคิดอยู่ใจก็จะไม่นิ่งไม่สงบไม่เข้าสมาธิตอนที่จะทําทให้ใจหยุดคิดให้นิ่งใจต้องมีสติคอยระลึกรู้อยู่กับอารมณ์ที่จะกล่อมใจให้นิ่งให้สงบอารมณ์ที่กล่อมใจนี้เรียกว่ากรรมฐาน mm hmm. กรรมฐานเช่นพุทโธการบริกรรมพุทโธนี่เป็นกรรมฐานอย่างหนึ่งหรือ mm hmm. การดูลมหายใจเข้าออกก็เป็นกรรมฐานอีกอย่าง หรือการสวนมนต์ก็เป็นการเจริญกรรมฐานอีกอย่างสามารถใช้กรรมฐานเหล่านี้ไว้กล่อมใจให้เข้าสู่ความสงบได้ในเวลานั่งสมาธิเราต้องมีสติผูกใจให้ให้ระ ล, ลึกลุยอยู่กับกรรมฐานเพียงอย่างเดียวอย่าปล่อยให้ใจไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้คนนั้นคนนี้ถ้าจะใช้พุโทโธก็อยู่กับพุโทโธพุโทโธไปในใจ ถ้าจะใช้ลมหายใจก็ดูลมหายใจที่ปลายจมูกหรือดูที่หน้าท้องก็ได้หน้าท้องถ้าดูหน้าท้องเวลาลมเข้ามันก็ท้องก็จะพองขึ้นมาเวลาลมออกท้องก็จะยุบลงไปที่เขาเรียกว่ายุบหนอพองหนอถ้าดูที่ปลายจมูกก็ดูว่ามันเข้ามันออกดูว่ามันหยาบหรือมันละเอียดมันสั้นหรือมันยาวแต่ไม่ต้องไปบังคับลมปล่อยให้มันเป็นปตามธรรมชาติของมัน เรามีหน้าที่ผูกใจให้อยู่กับลมเพื่อที่จะได้ไม่ไปคิดถึงคนนั้นคนนี้ถ้าเราไปคิดถึงคนนั้นคนนี้แสดงว่าเราเผลอแล้วเราไม่ได้อยู่กับลมแล้วเราต้องดืงกลับมาอยู่ที่ลมให้ได้หรืออยู่ที่พุทโธให้ได้หรือตอนต้นถ้าเรายังดูลมไม่ได้พุทโธ่ไม่ได้เพราะใจพุ้งคิดมากก็ใช้การสวดมนต์ไปก่อนก็ได้สวดมนต์ไปจนรู้สึกว่าใจแล้วมีสติ เริ่มสามารถดูลมได้เริ่มสามารถพุโทโธได้แล้วเราก็เปลี่ยนมาดูลมมาพุโทโธต่อไปแล้วเวลานั่งถ้ามีอาการอะไรต่างๆปรากฏขึ้นมาก็อย่าไปสนใจอาจจะเกิดปิติเกิดสุขขึ้นมาก็อย่าเพิ่งหยุดการภาวนายังไปไม่ถึงจุดหมายปลายทางคือการนิ่งการสงบ่เราก็กลับมาที่กรรมฐ า, านต่ออยู่กับกรรมฐ า, านต่อไป ถ้ามีปิติมีสุขเมื่อมีอาการเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้ก็อย่าไปสนใจให้สนใจอยู่กับกรรมฐานอยู่กับกรรมฐานไปเรื่อยๆจนกว่าใจจะนิ่งใจสงบตอนที่ใจนิ่งใจสงบก็เหมือนกับตกลุมตกบ่อขึ้นมาแล้วใจก็เบาเย็นสบายด้วยความสุขที่มาส์ใจอย่างยิ่งตอนนั้นเราไม่ต้องควบคุมบังคับนมนะเราอยู่เฉยๆให้มีสติประครับประคองความสงบนี้ไปเรื่อยๆจนกว่า จะหมดกำลังแล้วเราก็ค่อยถอนออกมาต่อไปอ น, นี่คือวิธีการนั่งสมาธิซึ่งเราจะมานั่งกันอีกประมาณสักยี่สิบสี่นาทีด้วยกันอตอนนี้เวลาสำหรับการนั่งสมาธิก็ได้หมดลงแล้วก่อนจะเลิกปดสังเกตดูว่าวันนี้นั่งแล้วสงบดีไหม ถ้าสงบดีก็ให้จำวิธีนั่งของวันนี้ไว้แล้วคราวหน้าเวลานั่งก็เอาวิธีนี้ไปนั่งต่อได้เลยจิตก็จะสงบเหมือนวันนี้แต่อย่าไปนั่งแล้วอยากให้มันสงบเพราะความอยากมันไม่ได้ทาให้สงบต้องวิธีนั่งที่ถูกต้องถ้ายังไม่สงบก็แสดงว่าสติยังมีน้อยพยายามเจริญสติในระหว่างวันให้มากขึ้นก่อนที่จะมานั่งสมาธิตั้งแต่ตื่นจนหลับนี้เราสามารถเจริญพุโทโธพุทโธ หรือเฝ้าดูการเคลื่อนไหวอิรยาบถต่างๆของร่างกายได้ตลอดเวลาถ้าเราฝึกสติให้มากขึ้นข่าวหน้าเวลาเรามานั่งมันก็จะสงบได้ง่ายขึ้นและต่อไปนี้จะขออนุมโมทนาให้พรยะถาวาริวาหาปุราปะริปเรนติสากะลังเอวเมวอิโตทินังเปตานังอุ ป, ป ก, ปกปัปติ อิจิตังปะิตังตุมหังเก็บเมวะสามิจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยธามะนิโชติระโสยธาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพะโรโวินัสสตุมาเตภะวะโตอันตารโยสุขีตีขายุโกภวะ อาพิวาทานาสิลิตาเนจังุทาปจายโนจตารโอธรรมวาทานติอายุวโนโอสุขังภาลางาังช่วงต่อไปนี้เป็นช่วงถามตอบคำถามใครมีคำถามอะไรอาจจะถามขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลย เป็นช่วงเดีวที่จะได้รับคาตอบเพราะถ้าเลิกแล้วจะไม่สะดวกที่จะตอบคำถามต้องถามในช่วงนี้ถ้าไม่อยากจะถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้วันนี้มีผู้ติดตามทั้งหมดเท่าไหร่กราบเรียนค ร, รับพระอาจารย์วันนี้มีผู้ติดตามทาง facebook พระอาจารย์สุชาติสองรอยสิเจ็ดท่าน ทาง YouTube พระอาจารย์สุชาติ258ท่านทาง u t u b e ดรวีส3ท่านทางวิทยุออนไลน์7ท่านทางขับเฮ u s ์6ท่านผู้รับฟังหน้ากุฏิ94ท่านรวมทั้งหมด635ท่านครับกล่าวนมัสการพระอาจารย์สค้าะมีคำถามจากผู้รับฟังธรรมะหน้ากุฏิถามเข้ามาว่า พระอาจารย์เจ้าคะคราบขอเรียนถามเจ้าคะ่ะวันนี้แม่ชีพราหมณ์ได้รับอนุญาตให้ร่วมฟังปฏิโมกในอุโบสถเจ้าคะ่ะครับเรียนสอบถามพระอาจารย์ถึงอุบายในการวางใจในการร่วมฟังปฏิโมกรู้ควรวางใจอย่างไรในการฟังเจ้าค่ะกราบขอคําชี้แนะจากพระอาจารย์เจ้าคะ่ะก็ให้มีสติอยู่ในการฟังฟังด้วยกายวาจาใจที่สงบร่างกายก็นั่งนิ่งๆไม่พูด ปาจา ก, ก็ไม่พูดคุยกันใจก็ไม่ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้ฟังเสียงปฏิโมกที่เข้ามาสัมผัสกับหูเพียงอย่างเดียวแล้วใจก็จะได้รับความสงบในสมาธิขึ้นมาเจ้าค่ะจากทางยู u ูบเจ้าค่ะถามเข้ามาว่ากราบนวัชการเรียนถามครับวิ ญ, ญญาณคือตัวรับรู้ของเวทนานั้นถูกต้องไหมครับวิญญาณมีสองชนิดวิญญาณที่รับรูปเสียงกิริย์ลดเข้ามานี้ เป็เรื่อวิญญาณในขันห้าส่วนจิตนี่เวลาร่างกายตายไปจิตก็เปลี่ยนชื่อเป็นดวงวิญญาณไปเจ้าค่ะจากสิบเอ็ดวงสกรโครบานถามเข้ามาว่าทําบุญแรกๆ แ, แม่มาเข้าฝันช่วงนี้ทําบุญไปไม่ฝันถึงแม่เลยไม่ได้รับบุญใหม่ครับคิดถึงแม่มากไม่รู้จะทำยังไงลูกเป็นห่วงไม่รู้ว่าแม่สุขหรือทุกข์อยู่ครับจากระยองครับ ถ้าเราไม่มียานไม่สามารถติดต่ออันได้ก็เราก็จะไม่รู้แต่เมื่อเราทำบุญแล้วเราก็ส่งไปให้กับแม่ได้เสมอส่วนท่านจะรับหรือไม่รับนี้ก็ไม่เป็นผลเสียหายใดอย่างไรถ้าท่านไม่รับก็แสดงว่าท่านมีบุญแล้วท่านก็ไปไปสู่สุคติแล้วก็ได้ใช่ะจากคุณแคทเธอรีอาจากเฟซุ๊กการเดินจงกรมที่ถูกต้องเป็นอย่างไรคะ เพราะรู้สึกว่าเดินเร็วจะทําให้มีสติมากกว่าเดินช้าแต่จะทําให้เราเหนื่อยง่ายและเดินได้ไม่นานเราควรเดินแบบไหนดีจ้าคะก็เดินด้วยสตินะวิธีไหนที่ทําให้เรามีสติก็ใช้วิธีนั้นถ้าเดินแล้วเหนื่อยก็นั่งนั่งสมาธิต่อได้พักได้ไม่จําเป็นจะต้อ ง, งไม่ต้องจําเป็นจะต้องเดินไปตลอดถ้าเดินแล้วได้สติดีแล้วก็มานั่งต่อนั่งเวลานั่งก็ดูลมหายใจต่อได้ ถ้านั่งแล้วเมื่อยเราก็ลุกขึ้นมาเดินใหม่ได้สลับกันได้ใชขาพระอาจารเราเราแตกต่างจากการเดินธุดงค์ไหมคะเดินจงกรมก็เดินธุดงค์นี้เขามันเหมือนเป็นการเดินทางความจริงคําว่าเดินธุดงค์นี้เป้าหมายคือเดินไปหาที่สงบส่วนใหญ่เขาจะเดินในป่ากันเขาไม่เดินชักธงสาบข้างถนนอันนั้นไม่รู้เดินหาอะไรก็ไม่รู้หาหาแสงหาเสียง แต่ถ้าเดินจริงๆพระธุดงครูบาอาจารย์ท่านเดินเดินทุดงไม่มีใครรู้ว่ท่านเดินท่านเดินอยู่ในป่าท่านหาที่เงียบๆที่มีพิษภัยอันตรายทําให้ต้องมีสติคอยกํากับการเดินอยู่ตลอดเวลาท่านต้องการให้มีสตินที่เดินงานเป็นผงนี่ <c oughs> ไม่ได้กว่าเดินทุดงนะฮะแต่เดินทุดงนี่ส่วนใหญ่ท่านจะไปกันไม่กี่คนหรือบางทีไปองค์เดียวอย่างนี้มากกว่า เพราะท่านต้องการไปหาที่วิเวกที่สงบไม่ใช่ไปหาแสงหาเสียงไม่มีทีมงานคอยถ่ายรูปโซ่ภูธยาโยนว่านี้เดินไปถึงไหนแนละ้วั น, นั้นไม่ใช่เดินเที่ยวโดงแบบเที่วโด่งเดินที่ดงจริงๆนี่เดินเพื่อไปหาที่สงบสมัยก่อนไม่มีรถยนต์ไม่มีอะไรสะดวกต้องเดินทางและท่านเดินในป่าด้วยถนนหนทางก็ไม่มีก็ต้องอาศัยการเดินเป็นหลัก เดินไปก็จะเป็นเดินจงกรมไปในตัวในสติกำกับการเดินไปเรื่อยๆเจ้าค่ะอย่างครูบาอาจารย์ที่ที่เดินทุดงแล้วออยู่ในป่าเงนี้ยเจ้าค่ะเพราะว่าถ้าเกิดท่านได้สมาธิแล้วจิตรวมแล้วเหมือนถ้าเกิดออยู่ที่วิเวสมาธิท่านจะไม่ถอยใช่ไหมเจ้าค่ะมันจะถอยยากกว่าถ้าเราอยู่ที่มีคนมีูมีเสียงกิลมคอคยรบกวน ชาวนาจากทาง YuuT. u b e ถามเข้ามาว่ากราบยินถามต่อครับเมื่อเวทนาไม่เที่ยงวิญญาณที่เป็นตัวรู้ของจิตก็ไม่เที่ยงเช่นเดียวกันด้วยหรือไม่ครับคือคำว่าไม่เที่ยงมันมีหลายความหมายคาว่าไม่เที่ยงนี้ไม่ได้มาเขาเกิดแล้วดับหายไปง มันหมายถึงว่ามันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเช <t nak> ่นเวทนาก็เปลี่ยนจากสุขไปเป็นทุกข์จากทุกข์ไปเป็นไม่สุขไม่ทุกข์แต่มันไม่หายนมันก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอันนี้ก็เรียกว่าไม่เที่ยงอย่างหนึ่งแต่ร่างกายเนี่ยมันเกิดแล้วมันตายอันนี้ก็ไม่เที่ยงอีกแบบหนึ่งตายแบบหายไปเลยอันนี้ก็เป็นไม่เที่ยงเหมือนกันเราต้องเข้าใจความหมายของคาว่าไม่เที่ยงมีหลายความหมายด้วยกัน คือมีการเปลี่ยนแปลงมีเกิดมีมีเจริญมีเสื่อมได้มีเกิดมีดับได้บางอย่างก็ไม่ไม่ไม่เกิดไม่ดับแต่ก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมามีเจริญแล้วก็มีเสื่อมเจริญจากสุขแล้วก็สุขเสื่อมไปทุกข์ก็เจริญขึ้นมานี้ก็มีแต่ให้รู้ว่ามันเป็นของไม่นิ่งมันมีการเปลี่ยนแปลงไ้เรื่อยๆแม้แต่ของที่เราเห็นว่ามันนิ่งเ ร, เราก็ไม่รู้ว่ามันมันเปลี่ยนอยู่ในทุกขณะเนี่ย เช่นเก้าอี้หินเนี่ยถ้ า, ากลับมาดูอีกร้อยปีพันปีมันอาจจะมันอาจจะเสื่อมกลายเป็นซ า, ากากระหังฟังไปก็ได้ของบางอย่างมันเปลี่ยนช้าร่างกายเรามันเปลี่ยนช้าเราดูในแต่ละวันเรารู้สึกว่าเหมือนเดิมหน้าตาเหมือนเดิมแต่ถ้าเราถ่ายรูปทิ้งไว้สักห้าปีเรากลับมาดูใหม่เหมือนกับคนละคนเล ย, เยร่างกายมันก็เปลี่ยนได้ เจ้าค่ะจากจากเฟ e บุ๊กค่ะคุณสมานบำรุงกิจถามเข้ามาว่าข อ, อกาสครับเข้าสมาธิแล้วจิตติดว่างตลอดควรแก้อย่างไรดีครับไม่ต้องแก้ก็ต้องการให้มันว่างสินั่งสมาธิก็เพื่อให้มันว่างไม่ต้องการให้เห็นอะไรไม่ต้องการให้รู้อะไรให้จิตมีความสุขอยู่กับความว่างจากเฟ e บุ๊กเจ้าค่ะหนูควรปฏิบัติแบบไหนดีคะเริ่มต้น ก็ปฏิบัติสติก่อนนำตอนก็ฝึกสติก่อนให้มีสติทั้งวันในในทุกิริยาบทคอยเฝ้าดูว่าตอนนี้เรากาลังทร่างกายกำลังทำอะไรอยู่กาลังเดินก็เฝ้าการเดินไปกำลังนั่งก็เฝ้าการนั่งไปกำลังรับประทานอาหารก็ดูการรับประทานอาหารไปกำลังอาบน้ ำ, น ำ, น ำ, นำล้างหน้าแปรงฟันก็เฝ้าไปดูไปไม่ให้ใจไปที่อื่นให้ใจอยู่กับร่างกายตลอดเวลา ถ้าพอเราเวลาเรามีเวลานั่งเราก็นั่งหลับตาแล้วก็เปลี่ยนจากการดูล่างกายมาดูลมหายใจแทนดูลมที่ปลายจมูกลมเข้าออกก็รู้อยู่ที่ปลายจมูกไม่ต้องตามลมเข้าไม่ต้องตามลมออกให้รู้เฉยๆไปแล้ ว, วจิต ก, ก็จะนิ่งสงบเป็นสมาธิขึ้นมาเจ้าค่ะคุณวัฒนาถามเข้ามาว่าน้อมกราบขอโอกาสเรียนถามครับได้อ่านคาสอนว่าไฟดับเพราะบมดเชือ้อ ใจจะหมดเชื้อกรรมราคะได้ด้วยอุบายวิธีใดบ้างครับน้อมกราบขอแนวทางครับก็ด้วยการเห็นหนุ่ภะเห็นร่างกายไม่สวยงามเช่นเห็นร่างกายดันมันซากสุดใครอยากจะมีแฟนไม่ไปดูแฟนตอนตายหรอกจะดูแฟนตอนที่ยังไม่ตายกันถ้าเห็นแฟนตอนตายแล้วไม่เอาแล้วใช่ไหมเราความอยากที่จะไปร่วมเพศกับเขามันหมดไปการมราคามันหายไป การมาราคาเกิดจากการไปเห็นร่างกายที่สวยงามพอ เ, เห็นแล้วก็อยากจะได้เขามาให้ความสุขกับเราแต่พอเห็นเขากลายเป็นซากศพเมื่อไหร่ก็ยกให้สับเปล่ได้ทันทีเลยแต่ถ้ายังไม่ตายนี่ใครมาขอก็ไม่ให้ฆ่ากันย <laughs> จากเฟซบุกเจ้าค่ะโยมอ่านแล้วเล่ม ยมอาจเล่มเปิดใจเปิดธรรมจบแล้วเจ้าค่ะจะมีเล่นใหม่ออกมาอีกไหมเจ้าค่ะไม่รู้เหมือนกันอนี้อนาคตไม่มีอะไรแน่นอนเจ้าค่ะคุณทีคัธนาเจ้าค่ะทำอย่างไรเมื่อจิตยังทุกข์วิตกกับความเสื่อมของวัยเจ้าค่ะทุกอย่างไม่แน่นอนนอกับในความเมตตายอย่างสูงเจ้าค่ะ ก็พยายามมองทุกคนว่าเหมือนกันไม่ใช่เราคนเดียวที่เสื่อมที่แก่ที่เจ็บที่ตายทุกคนที่มาก่อนเราที่มาหลังเราเดี๋ยวก็ต้องแก่เจ็บตายเหมือนกันเท่ากันเป็นขบวนการของร่างกายที่ไม่มีใครไปเปลี่ยนได้ถ้าเราไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากตายเราก็จะทุกข์ถ้าเราไม่อยากทุกข์เราก็ต้องยอมรับเพราะว่ามันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเจ้า ย, ยังไม่มีคาถามเข้ามาเจ้าค่ะ ถ้าอยากจะถามก็ถามได้นะอันนี้เราให้คนที่เขาอยู่ทา่บ้านพิมพ์ข้อความเข้ามาก่อนช่วงนี้ว่างๆก็ถามได้เชิญเข้ามาก็หยิบไมโครโฟนไปกราบนกกามสกันคะ่ะท่านขอเรียนถามพอดีวันนี้พระอาจารย์เทศเรื่องฐานนะคะเอ่อ พอดีเป็นคุณคนกรุงเทพอะคะ่ะก็เวลาทําบุญนะคะส่วนใหญ่ก็จะทําเป็นในด้านวัตถุทานนะคะคราวนี้ในตามตามวัดอะคะ่ะเขาจะมีเป็นสังฆทานสำเร็จรูปอะคะ่ะ ท, ที่ที่ให้ผู้ที่เข้าไปทําบุญที่วัดอะคะ่ะสามารถ บริจาคแล้วก็หยิบตัวสังฆทานมาทําบุญให้กับพระได้ค่ะแล้วก็พอดีพอได้ยินมาจากเขาข้าว่าจริงๆแล้วการใช้สังฆทานแบบเนี้ค่ะมันไม่ใช่เป็นการทําบุญเลยอยากทราบข้อเ ท, ท็จจริงว่าเป็นเป็นประมาณไหนค่ะอะมันก็เป็นบุญเหมือนกันนะคือเราบริจาคเงินด้วยการเอาเงินนี้ไปเปลี่ยนเป็นของมา เราจะไปเปลี่ยนที่ร้านก็ได้เปลี่ยนที่วัดก็ได้มันก็เป็นของเหมือนกันแล้วเราเอาของนี่ไปถวายพระอีกทีนึงมันก็เหมือนกันทางว้ดเขาก็จะได้เอาของที่เขามีเยอะแล้วไม่รู้จะเอาไปทำอะไรเอามาแปลงเป็นเงินเพื่อไปจ่ายค่าน้ำค่าไฟค่าอะไรต่างๆที่ไม่ไม่เสียหายตรงไหนนอกจากว่าถ้าเอามาเปลี่ยนเป็นเงินแล้วเอาไปเที่ยวไปกินไปดืมเงี้ยก็ไม่ไม่ควรทา แต่ถ้าเอามาบํารุงวัดเนี้ยโบสถ์เจดีย์อาจจะชํรุดทรุดโทรมมันก็ต้องมีเงินซ่อมแซมที่ยาวของสังฆทานไปซ่อมมันช่างเขาเขไม่เอาช่างเขาจะเอาเงินแล้วก็เอาสังฆทานนี้ไปขายคนที่เขาอยากจะมาทําบุญแต่เขาไม่สะดวกที่จะไปซื้อของด้วยตัวเ้าเองบางทีเขามาวัดแล้วอยากจะทําบุญเดี๋ยวต้องออกไปหาของมาก่อนพอดีทางวัดมีเขาก็ขอซื้ออยากทางวัดแคนั้นเองใช้ได้ไม่เป็นไรไม่เสียหาย กลาบเรียนถามพระอาจารย์ค่ะตอนที่ทําสมถภ า, าวนาคือที่อาจารย์บอกว่าทําให้ระลึกพุทโทรหรือยุบหนอพองหนอถ้าทำสองอย่างพร้อมกันมันจะผิดไหมคะหรือว่าอย่างไงคะถ้ามันช่วยให้สง บ, บได้ก็ใช้ได้ไม่เงินไ ม, ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่มีข้อห้ามดูที่<อ>ผลก็แล้วกันถ้าผลมันดีก็ใช้ได้ บางค น, คนชอบอย่างเดียวบางคนชอบสองอย่างรู้สึกว่าจะจะจะช่วยให้มันจะช่วยได้กระชับขึ้นให้มันสติดีเพื่อใช้ได้บางคนก็ดูลมแล้วก็หายใจเข้าก็ว่าพูดหายใจออกก็ว่าโถงนี้ก็ได้ค่ะอืม ข, ขอบพระคุณค่ะอน้อมกราบนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะขอความชี้แจงหน่อยเจ้าค่ะเวลาโยมนั่งสมาธิใช่ไหมคะโยมก็ใช้สติกําหนดจิต กำหนดสภาวะปัจจุบันและธาตุรู้คืออะไรเจ้าคะคือธาตุรู้นี่มันมันเป็ น, ป น, ปนธรรมชาติที่ม า, มาครอบครองร่างกายธาตุรู้นี่ก็คือจิตใจนี่เองแล้วอยู่ตรงไหนของอ๋อมันอยู่โลกทิพย์มันไม่ได้อยู่ในโลกมันไม่อยู่ในร่างกายอยู่อีกโลกมันอยู่บนโลกพระจันทร์แต่มันสามารถติดต่อกับร่างกายได้ด้วยกระแสของวิญญาณน้อมกับพระคุณเจ้าคะ่ะ ตัวจิตนี้สั่งให้ร่างกายเคลื่อนไหวได้แต่ไม่ได้อยู่ในร่างกายอ ย, อยู่อยูโลกในเล่าโลกทิพย์อืมมีมาดา I'm sorry I am from Ireland I am not understanding of a lot of Buddhism but I feel good energy in this beautiful place I ask a question: Can someone living years of 51 uh, at this age find meditation and peace in a burning world? Yes, definitely, if you know the how to do it correctly. So you have to learn the the correct method, and you have to persevere. You have to keep up trying because it's not easy to get peace right away. It might take a few weeks, a few months. The important thing is to have the the right factor that can calm your mind with. So you have to learn how to meditate. The goal is to stop your mind from thinking. If you can stop thinking, then your mind will become peaceful and happy. The reason you're not happy because your mind keeps thinking about bad things. So when you stop thinking about bad things, then all the sadness, unhappiness will disappear, and you have peace. And thank you ยังไม่มีคําถามเข้ามาเจ้าค่ะมีมีทางยูทูบเจ้าค่ะพระอาจารย์ขอโอกาสพระอาจารย์เหตุปัจจัยใดที่ทําให้ผมไม่สามารถปฏิบัติสมถภาวนาด้วยการนั่งสมาธิได้ระยะเวลานานไม่เท่ากันนั่งสมาธิได้หนึ่งชั่วโมงก็เคยส่วนใหญ่ ก็ครึ่งชั่วโมงอยู่ที่กำลังของสติของเรามีมากมีน้อยบางวันสติดีก็นั่งได้นานบางวันสติไม่ค่อยดีก็นั่งได้ไม่นานน่นเราต้องพยายามฝึกสติให้มากมากก่อนที่เราจะมานั่งถ้าเรามีสติดีเราก็จะนั่งได้นานแล้วก็สงบด้วยยังไม่มีคาถามเข้ามาเจ้าค่ะไม่มีคาถามใครอยากจะถามอีกไหม